ตั้งใจอวนาตร้างบุญสร้างกุศลแต่ที่เจ้าของให้เกิดกับเจ้าของบุญบารมีนี่คนอื่นสร้างแทนเราไม่ได้ดอกนั่งเป็นอยู่นะหนอูอะไรละ่ะอันน า, นาอะไรเลยจำยไดไหมได้แล้วนันทนาเฮเอาดีๆนะวันนี้อา่านั่งขัดสมาธิ อขาขวาทับขาซ้ายนะั่นแะเอานั่งสมาธิมันมีสามอย่างนะเอานั่งแบบลาบก็ได้คือไม่เอาขาทับกันก็ทนเหมือนกันอันที่สองก็เอาขาทับกันเรียกว่าขัดสมาธ์ซ้อนอันที่แรกเรียกว่าขัดสมาธิลาบไม่ให้ขาทับกันเอายันญา น, านเอาไว้ออันที่สองเราขัดสมาธิซ้อนนั่นแหละ อันที่สามก็ขัดสมาธเพชรโน้สมาธเพชนี่นนดีนะขาขวาทับขาซ้ายแล้วเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาอีก mm hmm. เส้นเอ็นมันจะยืดอันนี้ท่าขัดสมาธเพชขัดสมาธิสองชั้นนี่แหละเป็นท่าที่พระพุทธองค์ปฏิบัติทำในวันตัดสรูนุนะั่นขัดสมาธเพชนนะเอารู้จักวิธีแล้วก็ เอาลมหายใจหรือเอาพุทโธก็ได้เป็นคำบริกรรมคำภาวนาต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปในใจสติกับพุทโธอยากให้มันขาดจากกันถ้าผู้เอาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ถ้าความคิดส่งไปนอกก็ตีบดึงตีบตัดออกไม่ต้องดึงของมันมาดอกตัดทิ้งไปเลย มารู้อยู่กับพุทธโธไม่ไม่รู้อย่าไม่ให้เป็นรู้อยู่กับความคิดเจ้าของให้มารู้อยู่กับพุทธโธเท่านั้นนะถ้าใครเอาพุทธโธเป็นคำบริกรรมคาภาวนาเพราะว่าในใจละพุทโธพุทโธพุทโธในใจบริกรรมแปลว่าว่าซ้ำๆกันว่าในใจนะั่นแหละภาวนาอยู่ในใจว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธถ้าใครเอาลมหายใจก็ต้องเลือกฐานแนหะทีนี้ ฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสมาธินะพูดให้ผู้มาใหม่ฟังเพิ่มเติมอีกฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสมาธิฐานที่ตั้งของสติสติ <c oughs> นะลมหายใจนี่แล้วก็ดูทางเดินของลมหายใจที่แรกมันก็เข้าที่ปลายจมูกนี่แหละที่ ดั้งจมูกปลายจมูกนี่แหละมันเข้าไปนี่แหละขึ้นไปฐานที่แรกมันก็กระทบที่จมูกนี่ละครนะหายใจดูแล้วขึ้นไปกระทบที่หน้าผากถ้าสังเกตไม่ดีไม่เห็นหรอกต้องละเอียดมากลมมันเบาขึ้นไปกระทบที่กระมอมกลางหัวนั่นอีกจุดที่สามจุดที่สี่ก็มากระทบที่ลำคอจุดที่ห้าก็มากระทบ ที่หน้าอกลิ้นปีนีจุดที่หก็ท้องจุดที่เจดก็สะดือแล้วมันก็จะปัดกลับออกมาจากสะดือจุดที่หนึ่งมาหาท้องจุดที่สองมาหาลิ้นปีจุดที่สามมาหากระมอมอมาหาคอจุดที่สี่มาหากระมอมจุดที่ห้า มาหน้าพากักออกมาสายเดียวกันแล้วก็มาสุดที่ตรงปลายจมูกผู้เอาลมหายใจเป็นคาบริกรรมคํภาวนา <c oughs> ก็ให้หายใจเข้ายาวออกยาวดเูเลือกฐานที่ตั้งของสมาธิฐานที่ตั้งของจิตหายยาวออกยาวหายใจสั้นออกสั้น หายใจสั้นสลับยาวยาวสลับสั้นหนักบ้างเบาบ้างเลือกฐานอย่างนี้วิธีเลือกฐานสมาธิลมหายใจกระทบตรงไหนชัดเจนหรือหนักที่สุดหนักที่สุดแรงที่สุดชัดที่สุดในเกีที่นี่ให้เลือกเอาที่ใดที่หนึ่งเอาฐานเดียว ที่ใดที่หนึ่งเป็นฐานที่ตั้งของสติเอาสตินั่นแหะคือผู้ละเลื้อรู้นฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งของจิตก็ว่าฐานที่ตั้งของสมาธิเมื่อกระทบตรงไหนชัดก็เลือกเอาตรงนั้น เ, เอาสติไปจับอยู่นั้นแหละลมหายใจก็เปรียบเส ม, มือนคนคนงานนั้นเปรียบเส ม, มือนคนเปรียบเส ม, มือนตัวเรานี่แหละตัวสติก็เปรียบเส ม, มือนนัยามนี จ้องอยู่นั่นนะลมออกสติก็รู้และลึกรู้ว่าออกก็ว่าในใจว่าออกถ้าลมเข้าก็ให้สติและลึกรู้ว่าเข้าว่าในใจว่าเข้าภาวนาเบาๆในใจว่าเข้าเห็นออกก็ว่าออกเห็นเข้าก็ว่าเข้าหรือไม่ว่าเข้าว่าออกจะเวลาลมเข้าจะเอาว่าพูดก็ได้มันว่าง่าย อะไรว่าง่ายถูกจริตนิสัยเวลาออกว่าโทเอ้าก็พุทธออกก็โทอยู่งั้นหรือไม่ถนัดสองอันนี้เข้าออกหรือพุทธโธก็ให้ว่าเกิดเวลาลมเข้าก็เรียกว่าเกิดเวลาลมออกก็เรียกว่าตายหรือดับก็ได้เกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายอยู่ เวลาลมออกมาจากกายเรานันนตัววิญญาณของเราจะออกมาด้วยกับลมมาทิ้งร่างกายของเราไว้ชั่วขณะหนึ่งเราก็ตายเป็นซากศพอยู่ชั่วขณะลมหายใจไม่เข้าไปนั้นเรียกว่าเกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดดับเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตัวสตินี่อย่าให้คาดเคลื่อนนะ ตัสติเนี่ยให้เห็นลมเข้าลมออกอยู่ทุกขณะหรือถ้าว่าท่องพุทโธก็เห็นพุทโธอยู่ตัวสติไม่ใช่ว่าพุทโธแต่ปากเฉยๆตัวสติตัวจิตไม่เห็นไม่อยู่กับพุทโธจิตวิ่งไปที่ไหนนึ่งยังมาว่าพุทโธพุทโธอยู่จิตวิ่งไปที่อื่นยังมาว่าเข้าออกเข้าออกลมเข้าลมออกไม่เห็นก็ว่าปากเปล่าเฉยๆไม่ได้นะต้องให้มันเห็นชัดๆ พูดพูดในใจเวลานั่งก็อย่านั่งเปลี่ยนอะไรก็อย่าทำแรงจนเกินไปผู้อยู่ข้า ง, ข, างข้างเราจะได้ยินเสียงําคารหรือทำให้จิตเขาถอนออกจากสมาธิต้องระวังที่สุดนั่งสมาธิจะลุกจะนั่งหรือจะเดินไปไหนต้องค่อยขยับขยเรื่นเคลื่อ น, นที่นะ ถ้าจิตของคนอื่นข้างๆเรากำลังจะสงบกำลังจะเป็นพุ้โธอยู่จิตเขาจะถอนออกมาถ้าเราไปทำเสียงอนกระทึกคือโคมอยู่ข้างๆนอกจากจำเป็นจริงๆมันไอมันจามไม่มีใครห้ามได้อนี้นะถ้าอย่างอื่นพอระวังนะการที่ทำลายหน่อพุโทโธของกันนี่บาปนะท่านว่าบาปมาก เขากำลังจะเห็นพุโทโธอยู่ไปทำลายให้เขาถอนออกจากสมาธิเนะ่เวลานั่งอยู่ใกล้กันจึงควรระวังให้มากนะให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้ก็สอนวิธีนั่งเบื้องต้นให้ฟังต่อไปก็จะพูดเรื่องศีลทานหนึ่งศีลนี่แหละภาวนานี่แหละหรือมักมีองค์เปร มักนี่ทางแปลว่าทางมักโคมักคามักคีแปลว่าทางทางอะไรทางเดินออกจากทุกหรือทางเดินเข้าสู่พระนิพพานอันเรียกว่ามักเอโกมักโคทางอันเอกที่บุคคลใต่เต้าเข้าสู่พระนิพพาน มีทางอันเดียวนี้ทางอันนี้ก็ได้แก่มักมีองค์แปดนั่นแปดอย่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากมัมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิแปดอย่างย่อลงมาปฏิบัติเหลืออยู่สามอย่าง เป็นศีลก็ลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมโอสัมมาวจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวเรียกว่าศีลมักขั้นศีลสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เรียกว่าสมาธิ สงขอรวมก็เรียกว่าสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรนก็รวมกันเรียกว่าปัญญาแยกออกเป็นสามมรรคมีองค์เปรตทางเดินทางเดินไม่ใช่ทางรถทางเกวียนทางล้อทางเกวียนนะทางเดินของกิจพิถีกิจทางเดินของกิจของใจกิจใจนี่แหละคือตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าคนน่ย ว่าสัตว์เนี่ยทางเดินออกจากทุกขทุกทั้งหลายก็ย่นย่ อ, ยอลงมาอยู่เหลือขันห่าย่อเข้าไปอีกเหลืออยู่น้มสีย่อเข้าไปอีกเหลืออยู่ใจดวงเดียวนั่นขันห่าเกิดขันห่าดับนี่นเรียกว่าทุกข์อ่ะอันจึงเอามรตมีองค์แปดนี่นมาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ดับขันห่านจิตสมาธิปัญญาสัมมาวาจา วาจาชอบนั่นแหละขั้นศีลนะวาจาชอบวาจาถูกต้องวาจาสุจริตคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเลี้ยวไหลไลสาระมักมันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละ ว, วาจาก็คือวาจาของเรานี่คคำพูดของเรานี่นะสัมมากัมมันโตนะ่การงานชอบไม่ฆ่าสัดไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการ มักมมาอาชีว อ, อาชีพชอบเลี้ยงชีพชอบมันถูกกฎหมายท่านเรียกว่าไม่ค้าขายดูานอาชีพชอบไม่ค้าขายเครื่องดักสัตว์อาวุธป่าสัตว์ไม่ค้าขายคนค้าขายมนุษย์หรือขายประเวณี อ่าเนี่ยอาชีพชอบไม่ค้าขายเนื้อสัตว์ไม่ไม่ฆ่าหรือไม่เลี้ยงสัตว์ที่เขาฆ่าไปขายอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยังไงเรียว่าอาชีพไม่ชอบนะควรเลี้ยงขายสัตว์ที่เขาฆ่าเนื้อไปขายนี่หรือฆ่าขายเนื้อสัตว์ฆ่าสัตว์ขายเนื้อเรียกว่าไม่สมควรเรียกว่ามันผิดศีล สัมมานี่ขันศีลสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมม า, าชิวไม่ได้อยู่ที่อื่นสัมมาวายาโมความเพียรชอบเพียนยังไงเพียนระวังไปทําบาปอกุศลให้เพียนสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นไม่ได้ไปเพียนที่อื่นเพียนละบาปอกุศลเพียนสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้น เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษาเอาให้มันมีมันคงอยู่บุญกุศลน่ะ น, น ะ, ะทานอย่างเงี้ยก็รักษาเอาไว้ทานเอาไว้ตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีอะไรก็มาปัดกวาดเช็ดถูมาทานทานกำลังกายเรียกของทานการงานชอบทําหุงหาอาหารแล้วตื่นขึ้นมาไม่มีอะไร ป่วยกันจัดแจงแบ่งกันทำอันนั้นอันนี้ไม่ได้อยู่เฉยๆแต่ปล่อยให้อยู่เฉยๆบุญกุศลเอากายนี่เ น, นี่ไปทาบุญกุศลเอาวาจานี่ยไปสร้างกุศลเอเพียนสร้างกุศลให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษณาประทานรักษาเอาไว้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้หายไป บาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เพียนละที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่ากให้มันเกิดอีกนั่นแหละสัามมาสติสติแ ล, ละลึกซอกและลึกยังไงสัามมาสติท่านอธิบายไว้สติให้ ล, ลึกรูก้ในฐานทั้งสีให้ ล, ลึกแ ล, ล้วรู้ให้เห็นกาย ในกายนี่นะสติประธานสี่นี่นะเอาฐานทั้งสีนี่เป็นที่ตั้งที่สติปัญญาฐานทั้งสีนี่ตายเอชนาจิตธรรมนี่ละฐานทั้งสีเอากายออกมาพิจารณาไข้ควรพิจารณาดูปอด ก, กา ย, อยของออกมาทีละชิ้นละชิ้น เอาก ร, รมาฐานห้าเอากำมาฐานฐานสิบเอ็ดฐานสิบสองนี่แหละมาคี่คลายพิจารณาดูให้เห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่นไงจึงไม่นั่นก็ถอดกายออกมากระถามดูเนี่ยผมผมนี่คือสัตว์หรือผมนี่คือคนหรือผมนี่คือตัวหรื อ, ผ ม, อ, รอผมนี่คือตนหรือ ผมนี่คือเขาหรือคือเราหรือถามอย่างนั้นจนมันหายสงสัยเห็นว่าอาการสามสิบสองอย่างที่เราสวดไปนั่นน่ะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเอเวทนามาถามคือกันเวทนากายเวทนาจิตทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขเวทนาพวกนี้แหละเวทนานอกเวทนานในเวทนาอยาเวทนาธาละเอียด เจรณาปณิทมาถามมันอยู่างั้นเนี่ยอือเอาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนี่สติประธานสี่เอาสติไปพิจรารณาดูสติกับปัญญาก็อันเดียวกันนั่นแหละไปพิจารณาดูไปควนพิจารณาดูในฐานทั้งสีน่นี้ฐานทั้งสี่นี้ก็ไม่ใช่อะไรเนาะก็คือขันหานั่นแหละกายก็คือลูก เวทนาจิตธรรมก็คือนามเวทนาจิตก็คือนาำธรรมก็คือกายกับใจนี่แหะกระลูกกับนามนี่แหละเห็นธรรมในธรรมนี่นะลูกธรรมนามธรรมมันเกิดขึ้นดับไปเห็นลมหายใจก็เรียกว่าธรรมในธรรมเห็นกายในกายก็อยู่ที่ลมหมดก็ได้นะอันนี้ต่อไปก็สมาธิ สัมมาสมาธิสมาธิถูกต้องสมาธิชอบทําไมยึงมีสัมมาสมาธิเพราะว่ามิจฉาสมาธิก็มีนั่งไปนั่งไปไปติดในรูปฌานลูกชานจิตสงบได้ฌานได้สมาธิก็ไปติดอยู่ในรูปฌานรูปสมาธิก็เรียกว่าอารมณนุปนิจฌานติดอยู่ในฌานต่อเมื่อมาเห็นฌาน เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่ยละรูปฌานอรูปฌานก็ตามเห็นใจลักญานในสมาธิเห็นใจลักยานในฌานจิงจะเรียกว่าสัมมาสมาธิแม้จิตสงบขนาดไหนก็ตามสมาธิได้รูปฌานอรูปฌานฌานสมาบัตแปดแต่ถ้าไปติดอยู่ในอันนี้ก็เรียกว่าติดอยู่ในพมลโลก ติดอยู่ในฌานในสมาธิติดอยู่ในรูปภพอรูปภพอ่าเราเห็นไตรลักษณ์ในสมาธิเห็นสมาธิมันเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปมันเกิดขึ้นได้กี่ละห้าสิบหกสิบนาทีที่ละชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถอนออกมาแสดงว่าสมาธิก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับ มันเกิดขึ้นแล้วก็ถอนบอกสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับันนะได้ดับสิ่งนั้นต้องไม่เที่ยงนันนะนะั่นแหละเห็นไตลักยานในสมาธิจึงเรียกว่าสมาสมาธิลักขณูปนิจชานเห็นฌานเห็นไตลักยานในสมาธิในฌานจึงเรียกว่าลักขณูปนิจชานจึงจะเป็น ส ม, มสมาธิให้เข้าใจอย่างนี้เอาไปเอามาคนก็จะไปหลงติดอยู่ในฌานในลูกฌานอันลูกฌานเนี่ยไม่ยอมเดินปัญญาเราเรียกว่ามิจฉาสมาธิแล้วสมาธิหัวตอแล้วเนี่ยนั่งอยู่ตลอดวันตลอดคืนก็ได้รูกสบายอยู่นั่ น, นสึ้นไปยิ่งอลูกฌานยิ่ง สบายเหมือนอยู่ในพระนิพพานแต่เมื่อบราณก็มาติดอยู่ในนี้นะมิจฉาสมาธินะี่เห็นว่าฌานเป็นพระนิพพานนิพพานโลกีหรือนิพพานผมไม่ใช่นิพพานแท้ๆเรียกว่ามิจฉามิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิต่อไปก็สัมมาสติโอสัมมาอะไรละ่ะ ความเห็นชอบนนะแต่มันดีชอบนี่ขั้นปัญญานะขั้นปัญญาแต่ที่นี้คนก็เลยเอามาว่าศีลสมาธิปัญญาเวลาสวดก็เอาสมาธิขึ้นก่อนในี่ไหมสมาสังกัปโปขึ้นก่อนเอาปัญญาขึ้นก่อนแล้วก็ศีลสมาธิเวลามาพูด เล่นกันนี่พูดอยู่ข้างนอกเ็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาปัญญาขึ้นก่อนปัญญาอันนี้เป็นปัญญาเพื่ออบรมสมาธิอบรมปัญญาเจ้าของอบรมศีลเมื่อศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ขึ้นแล้วเป็นปัญญาขั้นต้นนี้ปัญญามันก็มีปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดปัญญาขั้นต้นก็สุดแต่มยปัญญา <c oughs> ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างอธิบายให้ฟังอยู่นี่แหละโส ต, ตสุตตะมาจากโสตมาจากได้ยินได้ฟังมาจากการอ่านกาันนั่นเองปัญญานี่อ่านมากฟังมากอันเรียกว่าพาะหูสูตรเรียกว่าสุตต์มัจญาปัญญาสุตต์ก็มาจากโสตมาจากหูมาจากคําว่าได้ยินได้ฟัง ได้ยินมากได้ฟังมากได้อ่านมากอินเตมยะปัญญาอันที่สองปัญญาเกิดจากความนึกคิดเกิดจากความจินตนาการเกิดจากการค้นคว้าพิจารณาปัญญาอันท่านที่สามก็ภาวนามยะปัญญาอินเตมยะ ป, ปัญญาภาวนามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาคือคือปัญญา อันสุดท้ายปัญญาอันนี้ปัญญาลู่จริงเห็นจริงเรียกว่าสัมมาอิทธิความเห็นชอบพวกมนั้นปัญญาพวกนั้นปัญญาโลจีปัญญาไปอ่านมาเขียนมาท่องมาจำมาไปใข่ควรนึกคิดปรุงแต่งคาดคะเนไปว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จินตนาการจินตมยาปัญญานะ ภาวนามยะปัญญานี่คือปัญญาสมาธิฐิคือความเห็นถูกต้องความเห็นตรงความเห็นยังไงเห็นสัจจะเห็นอริยสัจสีนั่นแหละภาวนามยาปัญญาเนี่ยเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละว่าเห็นว่าสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงอย่างนี้เรียกว่าภาณมาภาวนามยะปัญญา ให้ภากันเข้าใจปัญญาอันนี้แหละจะดับทุกได้ยาอันสุดท้ายนี่สุดตะมยะปัญญาจินตะมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากสัมมาทิฐิคือปัญญาที่รู้จริงเห็นจริงรู้ตรงรู้ถูกต้องมิจฉาทิฐิก็มีนะไม่ใช่มี แต่สัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็อยู่นี่แหละพูดเพืให้ฟังง่ายๆมิจฉาทิฏฐิเห็นว่ากายของเรานี่ยแหละเห็นขันหานี่แหละเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิยกตัวอย่างง่ายๆตื่นๆให้ฟังมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เห็นว่ากายสัตย์แต่ว่ากายเห็นว่าขันหานหละสัตย์แต่ว่าขันห้า แต่แต่ว่าเขาสมมุติตั้งชื่อขึ้นมาเรียกว่าขันห่าเฉยๆไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเ่าเขานี่จึงเป็นสัมมาทิฐิหรือเห็นว่ากายแต่ก่อนเราเห็นว่ากายนี่แหละคือสัตว์บุคคลตัวตนเ้าเขานี่นะในสติปัฏฐานสี่น่นนะนะเราเอากายมาขีคายพิจารณาดูจนเห็นว่าไม่มีสัตบุคคลไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเ้วเขานี่ ได้ก็คือรูปรูปธรรมน้ำธรรมนี่แหละคือขันหานี่แหละเมื่อความเห็นถูกต้องคือความเห็นว่าขันห่าว่างจากสัรว์บุคคลตัวตนเราเขานี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิขึ้นไปละเอียดขึ้นไปนี่ความเห็นถูกต้องความเห็นจริงรู้จริงความรู้ถูกต้องความรู้ตรงความรู้ถูกต้องรู้ยังไง ตาเห็นรูปแล้วก็ดับรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับหมูได้ยินเสียงแล้วก็ดับจมูกได้กลิ่นแล้วก็ดับลิ้นได้รสก็ดับอืมกายกระทบความเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ดับธรรมรารมเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่แหละเห็นเห็นมันเกิดแล้วก็ดับนี่สัมมาทิฏฐิ ละเอียดขึ้นมานะมันต้องเป็นทาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าใครเห็นอย่างนี้เห็นเกิดเห็นดับนี่เห็นอายตนะภายนอกภายในกระทบกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับท่านเรียกว่าธรรมะจักขุสมาธิถี่ขั้นกลางกลางขั้นละเอียดกลางกลางธรรมะจักขุเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนี่แหละ ตาเห็นธรรมเห็นธรรมดาเห็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเองธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองเป็นไปโดยตนเองไม่มีใครสร้างสรรและดัดแปลงตากับลูกประทบกันก็รู้ขึ้นมาเองมันก็ดับของมันเองนี่แหละเห็นธรรมธรรมดา เ, เรียกว่าธรรมจักขุถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้ก็เกิดธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรม ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระสวสดาบัณอย่างพระอาญากนทัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดานะ่สิ่งใดก็ตามสิ่งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินเนี่ยเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่มีความเกิดขึ้นนี่เป็นธรรมดานี่แล้วก็ดับ ไปเป็นธรรมดาเนี่ยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นธรรมะจักสุธรรมะจักขุ่ดวงตาเห็นธรร ม, มง่ายไหมแหละดวงตาเห็นธรร ม, มนี่แหละอริยสัจสีทางออกจากทุกข์อะไรเกิดอะไรต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์ เราเห็นมันเกิดมันดับเนี่ยเราจึงจะเบื่อในในทุกตลอดวันตายไม่เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงหูมาได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นดินในรสโทภทภะเกิดขึ้นธรรมอรมเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งเออเราเห็นเกิดเห็นดับไหมล่ะเนี่ยเนี่แหละภาวนามยปัญญาเออซัมมาทิฏฐินี่แหละวรรลวความเห็นถูกต้อง่ะ เดี๋ยวนี้เราเป็นมิจฉาทิฐิกันทั้งนั้นแหละนั่งอยู่เนี่ยมิจฉาทิฐิหมดพอมาเห็นละสักยะทิฏฐิได้นั่นแหละยึงจะเป็นพระโสดาบันท่านสุดท้ายได้ละสักยะทิฐิวิกิวิชฌาสิรพัฒนรามาตได้ละสักยะทิฐิได้ก็ทำสามหมวดนี้เป็นอันเดียวกัน ละสกายะทิฏฐิได้กับวิจิจิชาศิลิพัตปรามาตถก็ดับลงไปหมด น, นี่นะขั้นปัญญาออดับมิจฉาทิฏฐิลงตัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นเห็นว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขันห้าเป็นขันว่างขันเปล่าขันเน่าขันเหมิน่นหมินตัวขี้ออกก็หมินตดออกก็หมินใครว่าไม่เหมิน อะไรไหลออกมาจากตาก็เขาก็เรียกว่าขี้หมดขี้ตาไนะหลามาจากฟันก็ออกมาจากฟันก็ขี้ฟันไหลออกมาจากหูก็ขี้หูนี่ไหลออกมาจากเนื้อจากหนังก็ขี้เ น, นื้อขี้ใครนี่หมินทั้งนั้นพวกนี้ก้อนเน่าก้อนหมินอ่าขันห้าเป็นขันว่างขันเปล่าเนะ น, นี่ยขันเน่าขันหมินใครว่าไม่หมินก็ลองดูแล้ว น้ำลายไหลออกจากปากแล้วเอามือไปเช็ดมาดมดูเหม็นที่หูขีดตาไหลออกมาก็แกะออกมาแล้วก็มาเลียดูมาลมลมดูเอออยากรู้ว่ามันเหม็นหรือไม่เหม็นออืนี่แหละก้อนทุกข์นี่แหละเห็นทุกข์สิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับมนสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจึงจะเบื่อหน่ายในทุกโอ oh, ้วันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดกี่ครั้งพวกมันเกิดกี่ครั้งขันห้ามันเกิดกี่ครั้งตาเห็นรูปกี่ครั้งวันหนึ่งหมูได้ยินเสียงกี่ครั้งจมูกได้กลิ่นกี่ครั้งนี่แหละเกิดดับอยูน่นี่อ่าเรียกว่าเห็นเกิดเห็นดับดวงตาเห็นธรรมไม่ลูกคำในหนทาง ต่อไปไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, มีไม่มีลูกคำแล้วท้าตดวงตาเห็นธรรมใกล้พระนิพานเข้ามาแล้วอย่างว่าใกล้เข้ามายี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นพระโสดาบันต่อไปก็เป็นพระ ส, สกิทาคามีก็5้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเดินทางไปนี่แหละเดินทางไปอย่างนี้เดินขึ้นไปถึงพระอนาคามีก็เ5สิบห้าเปอร์เซ็นไปสุด พระลาหนก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นตนะอ่ามันก็อยู่นี่แหละอยู่ที่กายเรานี่นะทางเดินนะ่ะเอากายว่าใาใจนี่เนะี่ยเป็นทางเดินนะ่เอากายว่าใาใจนี่เนะี่ยเป็นยวดยานขับฉี่เข้าสู่พระนิพพานเอากายว่าใจาใจเราเนี่ยนะมาปฏิบัติภาวนาสร้างบุญสร้างบุญศนให้กับเจ้าของคนตายแล้วสร้างไม่ได้นะกุศลาให้เจ้าของไม่ได้ สร้างบุญสร้างกุศลกุศลาแปลว่าบุญกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเจ้าของบุญกุศลก็มีอยู่การศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาก็มาสร้างเอาตอนเราแข็งแรงร่างกายเราแข็งแรงอย่างนี้แหละมาสร้างบุญสร้างกุศลให้เจ้าของเวลาใข้ป่วยลงมามันสร้างไม่ได้สร้างไม่ได้เวลาเรา กายเราปกติอยู่นี่รีบพา ก, กันมาสร้างเอานี่ละมั๊กที่องแปดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาศนะีลก็ศีลของกายศีลของวาจใจศีลของใจเท่านี้ไม่ได้ไปอยู่ศีลอยู่ที่อื่นใม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมก็ศีลของกายแล้วนี่ไม่เอาวาจาจไปพูดปดมดเท็ศพูดสอเสียดพูดคำหยาบก็ศีลของวาจา วาจาเป็นศีลวาจาเป็นกุศลแล้วให้เอาวาจาไปพูดบาปทุดจริตพูดแต่สุดจริตพูดแต่บุญแต่กุศลเนี่ยไม่เอาจิตไปคิดในแง่บาปสุดจริตมรรคแปดมันอยู่ที่นี่ทางดำเนินเดินออกจากทุกขทุกทั้งหลายก็คือขันห้าทำไมมันถึงว่ามันทุกขันห้าเกิดแล้วก็ดับ เอา้ามันเกิดยังไงนั่งอยู่เฉยๆฮะเนี่ยมันมันเกิดยังไงอา้าวถ้าเขารู้จักขันห่าอันนี้คนไม่มีครูมีอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าขันห่าเกิดดับเลยนั่งอยู่เฉยๆก็เกิดดับสัน ต, ติสืบเนื่องกันเกิดได้เกิดใต้อยูน่นันก้อนทุกกองทุกขเขาว่าขันห่าเอา้ามันเกิดยังไงอายตนะภายนอก รูปเสียงปิ่นรสภายนอกสงข้อเขาเรียกว่ารูปภายนอกโลกภายนอกก็ว่าอริยธนรมภายในสงข้อเรียกว่ารูปภายในรูปภายนอกกับรูปภายในกระทบกันเกิดวิญญาณรู้ขึ้นนี่แหละเกิดขันธ์ห้าเกิดเกิดวิญญาณรู้ขึ้นเกิดใจไปรู้ขึ้นวิญญาณก็เป็น วิญญาณหูวิญญาณตาส่งเกิดเข้าไปก็ส่งไปบอกใจก็เรียกว่าผัสสะเมื่อวิญญาณหูวิญญาณตาเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าผัสสะผัสสะแปลว่าการสัมผัสการกระทบรูปที่เห็นด้วยตาจะไปกระทบวิญญาณตาก็ไปส่งไปบอกใจไปกระทบใจไปสัมผัสกับใจใจก็เกิดประเวย เวทนาสุขเวทนาถ้าเห็นลูกสวยลูกงามถ้าเห็นลูกไม่สวยไม่งามก็อยากขับไล่ใช้ส่งหนี้โกรธเขาเรียกว่าทุกขเวนทเวนาเห็นแล้วไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกอะไรก็อุเบกขาเวทนาเนี่ยขันห้ามันเกิดเนี่ยรู้อยากขันห้าไหมนี่แหละขันห้ามันเกิดแล้วก็ดับนไง สิงได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิงได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นี่อันหานี่แหละคือทุกข์อะทุกข์เพราะอะไรอะทุกข์เพราะมันเกิดมันดับวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดมันดับกี่ครั้งมันทุกข์กี่ครั้งเราเนี่ยมองทุกข์ให้เห็นจึงจะเป็นสุขไม่รู้จากทุกข์ไม่รู้จักดับทุกข์ไม่รู้จักเบื่อหน่ายในทุกข์มันก็มากวอดเอาทุกข์อยู่อย่างนี้หละ มาเกิดอีกพบใหม่ตายอีกเกิดอีกอยู่นี้มากอดเอาขันห้านี่เห็นขันห้าเป็นทุกข์ดูว่าขันห้าเป็นทุกข์ทำไมมากอดเอาทุกข์หล่ะเนี่ยไม่รู้จากทุกข์เลยมากอดเอาทุกข์อย่างนี้มาอุปทานขันห้าอย่างที่สุดแห่งทุกข์คือไม่ยึดไม่ถือน่นนะไม่ดีดไม่ถือขันห้าเกิดดับน่นนะมันเกิดเองดับเองมันเป็นไปโดยตนเองไม่มีใครสร้างสรรและดัดแปลงนั่นนะ ธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นเองธรรมดาเนี่เกิดขึ้นเองมันเห็นเองแล้วก็ดับเองของมันเรียกว่าธรรมดานี่แหละภาวนามยปัญญาเน่รรยนะปัญญาเกิดจากการภาวนาต้องเข้าใจอย่างนี้นี่มโนนี่มน น, มน์มวนมานั่งต่อกันไป น, นั่นก็ได้นี่แหละไม่ได้ไปไหนอี่ ขันห้ามันเกิดสิงได้เกิดจิงนั้นต้องดับนี่เมื่อเราเบื่อในทุกขเบื่อในทุกขทุกทั้งหลายก็ย่นโยงเหอยาะลงมาเหลืออยู่กายกับใจทุกทั้งหลายก็คือขันห้ากายกับใจก็คือขันห้าเบื่อในในขันห้าเบื่อในในทุกขทางดําเนินออกจากทุกนั้นมักมีองค์แปดหรือทาง ด, ดําเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานเมื่อดับขันห้าได้ ขันห้านี่แหละมันบังพันิพาญอยู่เนี่ยโลกบังธรรมอารมณ์บังจิตสมมุติดังบังวิมุติขันห้าบังพันิพาณเนี่ยมันบังอยู่เนี่ยขันห้ามันเกิดมันดับอยู่นี่ยเราเลยไม่เห็นพระนิพานสักทีถ้าดับขันห้าได้เนี่ยดับความเกิดความดับดับวัตตาสงสารความเวียนว่ายใต้เกิดอะไรเกิดขันห้าเกิดอยู่เงี่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันขันห้ามันเกิดมันใจหมุนเป็นโกงจากอยู่เงี้ หมุนเป็นวัตจัวัตะวันวัตตะเวียนวัตตะรงสา ร, รความเวียนว่ายใต้เกิดนิพพานแปลว่าดับสนิทดับอะไรพระเจ้าข้าเนี่ยนะดับวัฏตะชงสา ร, รความเวียนว่ายใต้เกิดอะไรใต้เกิดขั้นห้ามันตายมันเกิดอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งขั้นห้ามันเกิดมันตายอยู่กี่ครั้งหลหังเป็นหมุนเป็นวัตตะรงสารนี่อย่าง ใครอยากเห็นพระนิพพานก็ดับขันห้าดับวัตตะสงสารมีแหละขันห้าบังพระนิพพานอยู่นี่ไม่อยู่ไกลหรอกพระนิพพานน่ะอยู่ที่ตัวเราหมดละนั่งอยู่นี่นะมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวเรานี่นะพระนิพพานแต่เราไม่ค้นคว้าสแสวงหาก็เลยไม่รู้ว่าพระนิพพานคืออะไรอยู่ที่ไหนพระนิพพานคือดับสนิทน่ะดับอะไรดับขันห้าดับวัตตสงสารนั่น นี่ภาวนามยปัญญาเดี๋ยวนี้ <c oughs> อวิชชาเนี่ยเรารู้ไม่จริงเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่รู้หลงมาหลงว่าขันห้าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่ารู้หลงรู้ผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิขันห้าเกิดขันห้าดับเราก็ไม่รู้จากขันห้ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ ไม่รู้จกทุกข์นี่แหละทุกข์อริยสัจจริงนี่มันเกิดขึ้นดับไปนี่นี่แหละอวิชชาเนี่ยปัจจะยสังขารเนี่ยสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดให้เราหลงเราหลงสังขารนี่แหละจิตหลงสังขารนี่แหละวิชาอวิชชาก็คือเรานี่แหละเราก็คือใจนี่แหละอวิชชาปัจจะยสังขารนะเพราะเราหลงว่าเรามีนี่หลงว่า กายมันเกิดมันดับมันเรารู้เท่าสังขารเนี่ยอวิชชาเรียกว่าอวิชชาสังขารทั้งหลายก็ย่นย่อมาเหลืออยู่ขันห้านี่นขันห้าเกิดดับเราไม่รู้ว่าขันห้าเกิดไม่รู้ว่ามันดับไม่รู้ว่าเป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้มันเป็นจริงอยู่อย่างนี้อวิชชาไม่รู้ตามสัจจะไม่รู้ตามความจริง รู้จริงคือรู้อย่างไงรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับรู้ผิดรู้หลงอยู่อวิชชานี่ยนะรู้ไม่จริงนะสังขารเกิดดับก็เป็นปัใจจัยให้เราหลงว่ามีสัตว์บุคคลตนๆอยู่นี่รู้จริงคือรู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับสัจจะนี่แหละคือความจริงนี่แหละสัจจะสัจะธรรมนี่ธรรมทั้งหลายก็คือขันห้าลูกกบนาำนี่แหละคือรูกทำนาท้ำทำนี่แหละ มันเกิดแล้วก็ดับอยู่นี่เป็นสัจจะเป็นความจริงอยู่อย่างนี้อืมจิตหลมสังขาร น, นี่ยกีงไปถือเอาวิญญาณไปเกิดจิตรู้เท่าสังขารแหละทีนี้คือยอดแห่งวิชาแน่ก็มีแค่นี้ตัวะไม่ไม่มีอะไรอีกจิตรู้เท่าสังขารสังขารก็คืออะไรสังขารก็คือขันห่านี่แหละลูกทำนาท้ำทำนี่แหละยิ่งอาศัยกันเกิดสังขารก็แปลว่าสิ่งผสมปรุงแต่ง ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปมาปรุงกันขึ้นกายกับใจมาปรุงขึ้นก็เรียกว่าสังขารกายจะสังขารวิจีรังสังขารจิตจะสังขารจิตหลงสังขารอาิชาไม่รู้จริงเนี่ยไม่รู้จริงรู้จริงคือรู้ยังไงรู้สัจจะรู้อริยสัจสีนั่นแหละเออเรียกว่ารู้จริงรู้สัจจะรู้อริยสัจสีนั่นแหละรู้จริง ห้าจิตรู้เท่าสังขารว่าสังขารมันเกิดมันดับเป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้เราก็ดับทุกข์ได้เท่านั้นไม่อุปทานเอาขันห้าอุปทานเอารูปก็เป็นทุกข์อุปทานเอาเวทนาก็เป็นทุกข์อุปทานเอาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นทุกข์ขันใดขันหนึ่งเพราะว่าขันทั้งห้านี่กายกับใจนะมันเป็นอันเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ถ้าไม่อุปทานเอา กายก็ถูกนามสีถ้ามาอุปทานเอานามสีอย่างได้อย่างหนึ่งก็ถูกหมดแยกออกจากกันไม่ได้รูปกับนามภาวานามยับปัญญาเกิดปัญญารู้เท่าเอาทันขันห้าเห็นว่าขันห้าเกิดเองดับเองมันเป็นอยู่เช่นนั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ขันห้าเกิดมีแต่ขันห้าดับ ความเกิดความดับนี่แหละท่านเรียกว่าทุกเกิดทุกดับเราไม่รู้จักทุกก็เลยมาอุปทานเอาขันห้ามาแบกเอาทุกมากอดเอาทุกมายึดเอาขันห้าก็มายึดเอาทุกให้เข้าใจอย่างนี้ให้รู้จักทุกมันไม่อยู่ที่อื่นดอกทุกนั่นนะไม่ใช่ว่าปวดหัวปวดฟันอันนั้นก็ใช่อยู่อันนั้นเรียกว่าพยาธิทุก มันต้องเห็นทุกในอริยสัจสีรู้ทุกขในอริยสัจสี่รู้จักเวทนาทุกรู้จักมิพัฒทุกรู้จักพยาธิทุกทุกทั้งหลายทั้งปวงย่นย่อลงมาอยู่ใกล้กับใจนี่ใจเป็นคนรับมันบ่อเกิดแห่งทุกใจเป็นผู้รับเป็นผู้รู้ว่าทุกมันมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรอ่านี่แหละ เมื่อเบื่อในในทุกเนี่ยเบื่อในในขันห้านี่ดับทุกได้ดับทุกได้ก็เห็นพระนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกขันห้าเกิดพบแล้วพบเล่าอยู่นี่ดับขันห้าได้ดับพบได้ชาติก็ไม่เกิดเทลามรณะก็ไม่มีนี่แหละเรียกว่ามัททางเดินออกจากทุกขทางดําเนินเดินออกจากทุกมัคควเทศ มักมีองเป็ดทางดำเนินเดินออกจากทุกทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานก็ว่าอันเดียวกันให้พากันเข้าใจย่อลงมาก็เหลืออยู่ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นวันนี้ก็อธิบายเรื่องมักมีองเป็ดให้เราทันทั้งหลาย่อ เป็นแนวคิดเวลาหลังจากจิตออกจากสมาธิแล้วก็นำเอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังนี่เอาสัญญาณไปไข่ควรพิญณาอีกก็เรียกว่ากินตามยะปัญญาถ้าเรารู้เท่าเอาทันขันห้าดับขันห้าได้ก็เรียกว่าสมาทิที่หรือเรียกว่าภาวนามยะปัญญา ยังได้สแสดงมาก็าสมควรเจรเวลาเยวัง